ถมบทแปลเรื่องที่183สเรื่องพรามคนใดคนหนึ่งข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพพรามคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอนุปบเบนะเมทาวีเป็นต้น ตอนปรามทำความเกื้อกูลแก่ภิกษุดังได้สดับมาวันหนึ่งปรามนั้นออกไปแต่เช้าตรู่ได้ยืนแลดูพวกภิกษุห่มจีบอลในที่เป็นที่ห่มจีบอลของพวกภิกษุก็ที่นั้นมียอางอกขึ้นแล้วต่อมาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มจีวรอยู่ชายจีวรเกลือกลัวที่หญ้าเปียกด้วยหยาดน้ําค้างแล้วพรามเห็นเหตุนั้นแล้วคิดว่าเราควรทำที่นี้ให้ปราศจากหญ้าในวันรุ่งขึ้นถือเจาะไปถากที่นั้นได้ทำให้เป็นที่เช่นมณฑลลานแม้ในวันรุ่งขึ้น เมื่อภิกษุมาอย่างที่นั้นห่มจีวร อ, อยู่พรามเห็นชายจีวรของภิกษุรูปหนึ่งตกไปบนพื้นดินเกลือกล้วอยู่ที่ฝุ่นจึงคิดว่าเราเกลี่ยทรายลงในที่นี้ควรแล้วขนทรายมาเกลี่ยลงตอนพรามสร้างมวนดบและศาลาภายหลังวันหนึ่ง ในเวลาก่อนพัดได้มีแดดกล้าแม้ในการนั้นพรามเห็นเหงื่อไหลออกจากกายของพวกภิกษุผู้กำลังห่มจีวรอยู่จึงคิดว่าเราให้สร้างมณฑปในที่นี้ควรจึงให้สร้างมณฑปแล้วรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งได้มีฝนพรำแต่เช้าตรู่แม้ในการนั้น พรามแลดูพวกภิกษุอยู่เห็นพวกภิกษุมีจีวรเปียกจึงคิดว่าเราให้สร้างศาลาในที่นี้ควรจึงให้สร้างศาลาแล้วคิดว่าบัดนี้เราจะทำการฉลองศาลาจึงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ภิกษุทั้งหลายนั่งทั้งภายในทั้งภายนอก ถวายทานในเวลาเสร็จพัฒกิจรับบาดพระสัสดาเพื่อประโยชน์แก่การทรงอนุโมทนาแล้วกราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดจำเดิมตั้งแต่ต้นว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ยืนแลดูอยู่ในที่นี้ในเวลาที่พวกภิกษุห่มจีวรเห็นเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้ จึงให้สร้างสิ่งนี้สิ่งนี้ขึ้นตอนพระสัสดาทรงแสดงธรรมพระสัสดาทรงสะดับคำของเขาแล้วตรัสว่าพรามธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายทำกุศลอยู่คราวละน้อยนอยทุกๆุกขณะย่อมทรมวลทินคืออกุศลของตนออกโดยลำดับทีเดียว ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาหนี่ว่าอนุปบเบนเมทาวีโทกังโท่กังคเน่คเนกรมมกาโรรชะชัตตเซวะนิทธเมมล ม, มัตตโนผู้มีปัญญาทำกุศลอยู่คราวละน้อยนอยทุกๆขณะโดยลำดับ พึงกําจัดมนทินของตนได้เหมือนช่างทองปัดเป่าสนิมทองฉะนั้นตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอนุปุบเบนะคือโดยลำดับผู้ประกอบด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมชื่อว่าเมธาวีสองบทว่าคเนคเนความว่า ทำกุศลอยู่ทุกๆโอกาสบาทพระคาถาว่ากรมมาโรราชตัดเซวะความว่าบัณฑิตทำกุศลอยู่บ่อยๆชื่อว่าพึ่งกําจัดมนทินคือกิเลสมีราคาเป็นต้นของตนด้วยว่าเมื่อเป็นอย่างนั้น บัณฑิตย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีมนทินอันขจัดแล้วคือไม่มีกิเลสเหมือนช่างทองหลอมแล้วทุบทองครั้งเดียวเท่านั้นย่อมไม่อาจไล่สนิมออกแล้วทำเครื่องประดับต่างๆได้แต่เมื่อทองทุบบ่อยๆย่อมไล่สนิมออกได้ภายหลังย่อมทำให้เป็นเครื่องประดับต่างๆหลายอย่างได้ ฉะนั้นในการจบเทศนาพรามดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนแล้วดังนี้แลเรื่องพรามคนใดคนหนึ่งจบ